สายทางน้ำไหลเข้าสู่มหาสมุทรสายทางปฏิบัติไหลเข้าสู่มหาวิมุตติมหานิพพานผลแห่งการบำเพ็ญของนักปฏิบัติแต่ละคนละคน เพื่อเข้าสู่แดนนิพพานนั้นท่านเคยเปรียบไว้ดังนี้แม่น้ำสายาต่างๆไม่ว่าสายใดก็าตามไหลลงมาแล้วไปรวมลงในมหาสมุทรแห่งเดียวกันแม่น้ำสายาต่างๆเราจะเรียกว่าแม่น้ำสายนั้นสายนั้นเช่นแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้าน่าน แม่น้ำอะไรก็ตามนะนี่เรียกว่าสายทางของน้ำไหลลงพอเข้าถึงมหาสมุทรแล้วเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแยกกันไม่ออกไม่ว่าแม่น้ำสายนั้นสายนี้เมื่อเข้าสู่มหาสมุทรทะเลหลวงแล้วเรียกว่าแม่น้ำสมุทรอย่างเดียวกันหมด แม่น้ําสายต่างๆเปรียบกับผู้บําเพ็ญในที่ต่างๆอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อบรรมีแก่กล้าพอไหลเข้ามาใกลเข้ามาใกล้เข้าม า, า, มาสร้างคุณงามความดีนี่เรียกว่าแม่น้ําสายต่างๆไหลเข้ามาอย่างนี้พอมากเข้าจวนเข้าจวนเข้าก็ถึงแม่น้ํามหาสมุทรทะเลเนี่ยอันนี้ ก็เข้าถึงมหาวิมุตต์มหานิพพานเมื่อเต็มที่แล้วก็ต้องถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายได้เหมือนกันหมดไม่ได้เลือกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนักบวชครวัดนะสำคัญอยู่ที่การสร้างบารมีซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะยกผู้บำเพ็ญให้ถึงความหลุดพ้นได้ ทีนี้เมื่อบำเพ็ญเต็มที่เต็มที่ก็เหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆค่อยไหลเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาบารมีแก่กล้าก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอถึงกันปุ๊บ ก, ก็เรียกว่าถึงเต็มภูมิเป็นอรหัตตะบุคคลขึ้นมานั่นหละมหาวิมุตติมหานิพพาน เข้าถึงแล้วที่นี้ผู้บรรลุธรรมนี้เข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดที่นี้แยกกันไม่ออกว่าผู้นี้รายนี้รายนี้มาจากไหนมาจากไหนพูดไม่ออกเพราะเข้าถึงแล้วเรียกว่าแม่น้ำสายต่างๆไม่มีความหมายละ เพราะเข้าในมหาสมุทรทะเลหลวงอันเดียวกันนี่ผู้บำเพ็ญในคุณงามความดีประเภทต่างๆก็เป็นดุดแม่น้ำลำคลองแต่ละรายละรายไหลเข้าไหลเข้าแล้วเข้าสู่จุดสุดยอดแห่งความพ้นทุกว่างนั้นเลยเรียกว่าความพ้นทุกอยู่ที่จุดนั้นอยู่ที่มหาวิมุต มหานิพพานเนี่ยเข้าถึงนั้นแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานอันเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าบรรดาผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัต ภ, ภูมิแล้วนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเป็นเหมือนกันหมดนั่นฟังสิแยกกันไม่ออก ไม่มีคำว่ายิ่งว่าย่อนต่างกันแยกกันไม่ออก ปฏิปทาสายท่านอาจารย์มั่นระลึกพระคุณท่านอาจารย์มั่นไม่สางซาหลวงตากล่าวกับพระเนนเสมอเสมอว่าผลแห่งธรรมที่ภาพเพียนปฏิบัติมาจนประจักษ์ใจ ได้ด้วยอุบายคำแนะนำสั่งสอนจากท่านอาจารย์มั่นด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้ความเคารพ บ, บูชาและระลึกบุญระลึกคุณต่อท่านอาจารย์มั่นอย่างสุดจิตสุดใจชนิดมอบกายถวายชีวิตแก่ท่านได้ท่านเคยกล่าวยกย่องคุณธรรมและคุณสมบัติของท่านอาจารย์มั่นว่า เป็นผู้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีสิ่งใดตกเรียเสียหายเลยไม่ว่าจะเรื่องหลักธรรมหลักนิ่ไหนท่านอาจารย์มั่นสามารถเก็บหอมรอมริบได้หมดเรื่องยานอย่างทราบหรือความรู้ภายในก็สุดเลิศเลยความเคารพ บ, บูชาย่างสูงสุดของท่านที่มีต่อท่านอาจารย์มั่นนั้นท่านเคยกล่าวไว้ อย่างจับจิตจับใจผู้ฟังว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเป็นทั้งพ่อเราทั้งแม่เราทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมดให้อัดให้ทำให้ข้อคิดเห็นที่จะเป็นสิริมงคลสิ่งใดไม่ดีปัดเป่าออกไปด้วยคำแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุงจึงเป็นเหมือนกับพ่อกับแม่ของเรา เหมือนเรามีพ่อมีแม่นี่แหละเราเคารพท่านสุดขีดในหัวใจของเรานี้อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหมดเลยเราพูดจริงๆในบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราไม่ได้ประมาทท่านเราไม่ได้คบค้าสมาคมกับท่านสนิทติด จ, จมจริงๆฝากเป็นฝากตายเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น นี่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่กิแต่กาแตเอแต่เ อ, เ, อเรื่อยไปท่านสอนหมดในภาคปฏิบัติธรรมนะส่วนภาคปริยัตเราก็เรียนเรียนไปแล้วแต่ไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเพียงแค่จดได้มาจําได้มาเฉยเฉยไม่รู้วิธีภาคปฏิบัติเป็นยังไงท่านต้องบอกอันนี้ทำอย่างนี้ เครื่องมืออันนี้เอาไปทําอย่างนั้นเครื่องมืออันนี้ไปใช้อย่างนี้อย่างนี้ที่เราเรียนมาเราจําได้แต่ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นอาศัยท่านพาปฏิบัติดําเนินการเรียนมานั้นเราจําได้แต่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติท่านก็หยิบออกมาอันนี้ให้ทําประโยชน์อย่างนั้น อันนั้นให้ทําประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ยึดก็จับเอาได้จากท่านเรื่อยมาจนเป็นภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติก็เอาอีกเหมือนกันต้องให้ท่านเป็นแม่เหล็กเป็นเครื่องดึงดูดเป็นร่มโพร่มใสเราอยู่ใต้ร่มโพร่มใสเหมือนกับกาจับภูเขาทองเหลืองอารามไปเลยกิเลสมันกลัวเวลามาอยู่กับท่าน กิเลตมันก็หมอบอยู่กับท่านสบายๆนี่ก็เป็นร่มโพร่มใสอันหนึง่งเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดเราให้มีแก่ใจประกอบความภาคเพียรเอาเป็นเอาตายหนักเบาออกมาจากท่านได้รับการศึกษาจากท่านทุกสิ่งทุกอย่างท่านแนะนำเต็มภูมิและพาปฏิบัติเต็มกำลังทุกด้าน อันนี้ท่านสอนละเอียดละออมากทีเดียวความเคารพภูพันระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่แนบแน่นฝังจิตของท่านนั้นจะทราบได้ชัดเจนจากคำเทศของท่านตอนหนึ่งว่าผมไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กราบท่านอาจารย์มั่นแล้วนอนไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เหมือนกัน แม้ที่สุดจะเดินชมกรมก็ต้องหันหน้าไปไหว้ท่านเสียก่อนถ้ามีรูปท่านเป็นที่หมายของสมมุติก็กราบไหว้รูปของท่านหากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเครื่องของสมมุติน้อมนมัสการไปพระคุณของท่านไม่มีวันจืดจางประหนึ่งว่าท่านไม่ได้ล่วงลับไป ธรรมชาติอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดัวเราอยู่ตลอดเวลา ด้วยคําแนะนําสั่งสอนจากผู้รู้จริงเห็นจริงเช่นท่านอาจารย์มั่นนี้เองทําให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาภิกษุบริษัทที่เข้ามาศึกษากับท่านอาจารย์มั่นมีเป็นจํานวนมากแต่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพราะได้หลักได้เกณฑ์ที่ถูกต้องจากท่านมาเป็นเครื่องดําเนินจนเป็นที่อบอุ่นใจ ท่านเคยเล่าให้พระเนนฟังเกี่ยวกับปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาดำเนินอย่างถูกต้องแม่นยำถือเอาธุดงคขวัตสิบสามนี้เป็นพื้นเพในการดำเนินและการประพฤติ ป, ปฏิบัติจิตใจของท่านก็เป็นไปโดยสมำเสมอไม่นอกลู่นอกทางทำให้ผู้อื่นเสียหาย และริจะทมเพื่อความเด่นความดังอะไรนอกลู่นอกทางนั้นก็ไม่มีเป็นแนวทางที่ราบรื่นดีงามมากนี่ละเป็นที่นอนใจเป็นที่ตายใจยึดถือไว้ได้โดยไม่ต้องสงสัยก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านท่านกล่าวไว้ในหนังสือ ปฏิปทาพระธุดงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นว่าทุดง13สิบสามแต่ละข้อมีความหมายในการปราบรามกิเลส ท, ทุกประเภทได้อย่างอัศจรรย์ยากที่คาดให้ทั่วถึงได้ดังนี้หนึ่งบิณฑบาตเป็นวัดสองบิณฑบาตตามลำดับบ้านสามไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลัง 4. ฉันในบาทหฉันหนเดียวในวันหนึ่งหนึ่ง 6. ถือผ้าสามผืน 7. ถือผ้าบางสุกุล 8. อยู่รุกขมูลร่มไม้ 9. อยู่ป่า 10. อยู่ป่าช้าส1ออยู่กลางแจ้งส2องอยู่ในที่เขาจัดให้สิสา ถือไม่อยู่อิริยาบถนอนนี่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีจํานวนมากพากันดําเนินมายึดถือหลักนั้นแหละมาปฏิบัติได้แพร่หลายหรือกระจายออกไปแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นขแขนงขแขนงจนกระทั่งถึงพวกเรานี้ก็มาจากสายของท่านนั่นเอง เป็นที่แน่ใจไม่สงสัยคือไม่มีคำว่าแฝงหรือแผลงอะไรออกไปให้เป็นที่สดุดตาไม่แน่ใจอย่างนี้ไม่มีท่านดำเนินอะไรเป็นที่เหมาะสมทั้งนั้นคือมีแบบมีฉบับเป็นเครื่องยืนยันไม่ผิดเพี้ยนไปนเลยนี่เพราะเหตุอะไร เพราะเบื ja ita, ้องต้นท่านก็ตะเกียกตะกายก็จริงแต่ตะเกียกตะกายตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยคือกฎของพระระเบียบของพระท่านตรงเป๋งเลยและหลักธรรมก็ยึดธุดงสิบสามข้อนี้เป็นทางดำเนินไม่ออกนอกลู่นอกทางนี้ไปอย่างอื่นบ้างเลย นี่จึงเป็นที่หน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกของท่านต่อจากนั้นท่านก็ปรากฏเห็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาดังที่เคยเขียนไว้แล้วในประวัติของท่านจนกระทั่งเป็นผู้ทรงมักทรงผลโดยสมบูรณ์ในหัวใจท่าน แล้วก็ประกาศสั่งสอนธรรมแกบ่บรรดาสิทธิ์ทั้งหลายพร้อมทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินด้วยความองอาจกร้าหารไม่มีคำว่าสะทกสะ้านแม้นิดหนึ่งเลยนี่พระความแน่ใจในใจของท่านเองทั้งฝ่ายเหตุทั้งฝ่ายผลท่านเป็นที่แน่ใจทั้งสองแล้วบรรดาพวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่เข้าไปศึกษาอบรมกับท่าน จึงได้หลักได้เกณฑ์จากความถูกต้องแม่นยำที่ท่านพาดำเนินมามาเป็นเครื่องดำเนินของตนแล้วถ่ายทอดไปโดยลำดับลำดาไม่มีประมาณเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทมีกว้างขวางอยู่มากสำหรับลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแต่กระจายออกไปการที่ได้ปฏิปทา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 จะว่าอวดหรือไม่อวดก็ตามก็เรียนถึงมหาแต่ว่าจะหาหลักหาเกณมายึดเป็นเครื่องดำเนินด้วยความอบอุ่นแน่ใจตายใจสำหรับตัวเองไม่มีจะว่ายังไงนั่นมันเป็นอย่างนั้นจิตส่อแสวงหาแต่ครูบาอาจารย์อยู่ตลอดเวลาเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น คือศาสกยบุตรอันเดียวกันวัดหรือสำนักใดก็าตามที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ให้ความเคารพนับถือเข้ากันได้อย่างสนิทใจโดยไม่ถือในเรื่องกลุ่มก้อนหมู่เหล่าไม่ถือเรื่องชาติ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 ท่านไม่มีนิกายนั้นนิกายนี้นิกายนี้ตั้งเป็นชื่อเป็นนามไม่เห็นสําคัญอะไรตั้งฟากจรวดดาวเทียมก็ไปตั้งชื่อนักโทษสิมันอยู่ในเรือนจำแต่ชื่อมันอยู่ฟากจรวดดาวเทียมใครนับถือไหมนักโทษคนนั้นนี่เขาชื่อเขาสูงนะนักโทษคนนี้นะมาติดคุกต่างหากแต่ชื่อเขาอยู่ฟาจรวดดาวเทียมนี้ ผลจะยอมรับนับถือเขาไหมนั่นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันลงท่ามาประพฤติปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยก็เรียกว่าลดคุณค่าของตัวลงโดยลำดับชื่อนามไม่เกิดประโยชน์ชื่อตั้งไว้อย่างนั้นหละตั้งแต่เป็ดแต่ไก่หมูหมาเขาก็มีชื่อ พระก็ตั้งไว้อย่างนั้นหลักใหญ่คือสากกยบุตรขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหลคือผู้จะทรงมรรคทรงผลและผู้ทรงมรรคทางผลชื่อน้ํามเฉยๆนั้นตั้งไว้อย่างนั้นแหละไม่ใช่ผู้ทรงมรรคทรงผลโลกประเพณีเป็นมาอย่างนั้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นในเรานี้ เป็นผู้พูดซะเองนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านไม่ได้สนใจกับชื่อ น, นะท่านสนใจกับหลักธรรมหลักวินัยสาสตกิบุตรต่างหากฉะนั้นเวลาลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านที่เป็นฝ่ายมหานิกายมาขอยัติกับท่านท่านอาจารย์มั่นนี้เองพูดให้เราฟังนะเราถึงได้พูดอย่างอาหาร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 ธรรมยุทธและมหานิกายนี่เป็นความยอมรับทั่วหน้ากันแล้วในสังคมส่วนธรรมวินัยก็เป็นที่เปิดทางให้แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีคำว่านิกายนั้นนิกายนี้ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเป็นศากระยบุตรของพระพุทธเจ้าได้เสมอหน้ากันหมดนี่หลวงปู่มั่นท่านแสดง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 ควรได้รับประโยชน์จากท่านทางด้านอัตธรรมบ้างจึงไม่ให้ยติท่านบอกอย่างเด็ดขาดไปเลยทางด้านปฏิบัติสักขาวนมักคาวนไม่มีต่อผู้ปฏิบัติดีแต่ผู้ปฏิบัติไม่ดีนี้ไม่มีหวังว่า ง, งั้นเลยนะอยู่กับข้อปฏิบัติท่านเล็งผลประโยชน์น้นนะท่านไม่ได้เล็งนิกายนั้นนิกายนี้นะ พอเวลายัติิแล้วเขาก็จะถือว่าเป็นคณะนั้นคณะนี้ไปเสียผู้ที่ไม่เข้าใจในอัดในธรรมมันก็เข้าไม่ถึงผลประโยชน์ก็ขาดไปว่างั้นเมื่อพวกท่านได้กระจายออกไปทางด้านธรรมนี้แล้วเวลาไปที่ไหนพวกท่านทั้งหลายนี้มีพวกมากเสียด้วยก็ยิ่งกระจายมากผลประโยชน์ก็มาก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 เอาหลักทำหลักวินัยนั่นหลักเป็นหลักของพระอันนี้เป็นหลักที่แน่ใจตัวเองก็อบอุ่นไปที่ไหนเย็นละเพราะพระมีธรรมมีวินัยมีเมตตาไปพร้อมเย็นไปหมดไม่มีธรรมไม่มีวินัยใจดำน้ำขุนตีบตันอั้นตู้ดูไม่ได้พระใจดำน้ำขุน ตีบตันอั้นตู้หาเมตตาไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟในตัวเองก็ไปเผาบ้านเผาเมืองต่อไปอีกละเนี่ยไม่ดีไปที่ไหนเย็นดูจิตเจ้าของตลอดนี่ละ่ะผู้ปฏิบัติธรรมต้องดูจิตเป็นสำคัญศีลก็ดีสมาธิปัญญาวิมุตตหลุดพ้นออกไปจากจิตสติปัญญารักษาจิตบำรุงจิตให้ดี